วิญญาณวิญญาณวิญญาณคนเราทำไมถึงมีจิตจิตเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นผู้สร้างจิตขึ้นมาจิตมีชื่อเรียกกันไปต่างๆมากมายหลายชื่อปุถุชนเรียกกันว่าใจหรือจิตใจภาษาบาลีเรียกกันว่า มโนมวิญญาณจิตตญาณตัวรู้หรือชื่ออื่นอื่นอีกตามแต่จรังสรนกันไปแต่ก็มีข้อสรุปให้ชัดเจนได้ว่าทุกคนเชื่อว่าจิตมีอยู่จริงสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์ตัวน้อยๆแมลงตัวนิดๆก็ยังมีจิตอยู่ในร่างกายนั้น ไม่เว้นแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าก็ยังมีจิตเพียงแต่ว่ามันแสดงปฏิกิริยาให้เรารับรู้ได้ว่ามีจิตอยู่ในนั้นไม่ได้เพราะองค์ประกอบของาธาตุขันของมันมีอยู่แค่นั้นสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดระดับจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียก็ยังมีจิต แต่พระองค์ประกอบของาธาตุขันธ์ของมันที่มีอยู่แค่นั้นจึงแสดงปฏิกิริยาให้เรารับรู้ได้ว่ามีจิตอยู่ในนั้นไม่ได้เหมือนกันในสากล น, นี้มีจิตอยู่สองประเภทคือจิตพุทธะและจิตของผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดจิตพุทธะนั้น ท่านมีเนื้อหาของการให้การเสียสละมาอย่างมากมายมหาศาลท่านมีปณิธานในการโปรดในการช่วยเหลือสัพพสัตให้ผลจากวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นแล้วการช่วยเหลือสัพพสัตให้ออกจากกองทุกได้ท่านก็ต้องอุ ป, ปโลกจิตขึ้นมา อุ ป, ปโลกธาตุขันร่างกายขึ้นมาให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับสับพพสัตมีตาหูจมูกลิ้นผิวกายและจิตเหมือนกับสับพพสัตทุกอย่างมีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับสับพพสัตทุกอย่าง เพื่อใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อในการเชื่อมกับสัพสัตฉะนั้นแล้วกี่พบกี่ชาติที่มหาโพธิสัตว์องค์หนึ่งจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าช่วงระยะเวลาที่ท่านเวียนไห้าตายเกิดนั้นท่านได้ทำการเชื่อมกับสัพสัตในทุกภูมิทุกชั้นไปในตัวเรียบร้อยแล้ว พอถึงวาระที่ท่านจะตรัสรู้สู่ความเป็นพระพุทธเจา้าท่านก็นำความจริงแห่งธรรมชาตินี้มาบอกกล่าวให้สับปะสัตยุติการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองแต่ดั้งเดิมแท้ของจิตพุทธะนั้นท่านอุ ป, ปโลกจิตขึ้นมาเพราะจิต เป็นรูปแบบของคลื่นพลังงานอย่างหนึง่งจากเดิมเดิมพลังงานเหล่านั้นก็อยู่ในสากล น, นี้ไม่ได้สูญสลายไปไหนจะอุปโลกให้เห็นก็ได้หรือเปลี่ยนรูปไปเป็นอย่างอื่นไม่ให้เห็นก็ได้แต่ก็ไม่ได้สูญสลายไปไหนการอุปโลกของจิตพุทธานั้น ท่านอุปโลกจิตขึ้นมาบนพื้นฐานของว่างรองรับดับเป็นประธานว่างรองรับคือจิตดวงนี้ที่อุปโลกขึ้นมานี้อยู่บนพื้นฐานของความไร้ตัวไร้ตนอยู่แล้วดับเป็นประธานคือ จิตดวงนี้ที่อุปโลกขึ้นมานี้อยู่บนพื้นฐานของความไม่ยึดติดอยู่แล้วพอถึงวาระการโปรดสปปรรพสัตว์ท่านก็อุปโลกจิตขึ้นมาพออุปโลกปุ๊บคลื่นพลังงานเหล่านั้นก็มารวมตัววูบเปี่ยวกลายเป็นจิตพุทธะ พอถึงวาระที่ท่านจะดับขันปรินิพานท่านก็ปล่อยให้อุปโลกดับคืนธาตุขั น, าขนกายจิตวิญญาณคืนคลื่นพลังงานเหล่านี้ให้แก่สากลแต่ไม่ได้ดับศูนย์ไม่ได้ดับศูนย์สลายไปไหนอย่างที่เราเข้าใจกันต่อไป มาอธิบายกันว่าจิตของผู้ที่ยังเวียนไหวตายเกิดนั้นเป็นอย่างไรที่ยังยุติการเวียนไหวตายเกิดไม่ได้เพราะสิ่งสิ่งนี้มีตัวหลงยึดมั่นถือมั่นว่าดวงจิตดวงนี้จิตตาหยาดวงนี้มีตัวตนอยู่เบื้องหลังมีเราในดวงจิตดวงนี้ มีตัวเองในจิตตญาดวงนี้เราเป็นเจ้าของจิตดวงนี้หลงยึดมั่นถือมั่นกันแบบนี้อยู่ตลอดเราจึงเรียกธรรมชาตินี้ที่ยังเวียนไหวาตายเกิดอยู่นี้ว่าสัพพสัตว์ความเป็นสัพปสัตว์นี้แหละที่ไปเวียนไหวาตายเกิด ไม่ใช่ดวงจิตไม่ใช่วิญญาณที่ไปเวียนไหวาตายเกิดแต่ที่ไปเวียนไหวาตายเกิดคือตัวอัตตาเป็นกลุ่มพลังงานที่มีการสำคัญมั่นหมายว่าตัวเองมีตัวตนอยู่จริงแล้วก็หลงไปทยานไปตามความยึดมั่นถือมั่น ที่ฝืนธรรมชาติไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วโดยแกนแท้โดยภายในอันแท้จริงของธรรมชาติที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นมีความไม่ยึดติดอยู่แล้วภายในเป็นพื้นฐานตั้งแต่ต้นมีความวิมุติหลุดพ้น หรือมีนิพพานอยู่แล้วภายในตั้งแต่ต้นที่เราเรียกกันว่าสัพพสัตหรือผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดนั้นโดยแก่นแท้ของสิ่งสิ่งนี้มันเป็นความว่างเปล่าอยู่แล้วไม่จัดว่าเป็นอะไรได้อยู่แล้วหรือภาษาบาลีเรียกว่าสุญญาตานั่นเอง แต่เมื่อธรรมชาตินี้แอบหลงไปยึดจิตว่าเป็นของตนการสมมุติชื่อธรรมชาตินี้ว่าสัพปะสัต์จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เห็นความแตกตา่างระหว่างผู้หลุดพ้นกับผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเมื่อสัพทะสัต์แอบไปหลงยึดวิญญาณว่าเป็นของตน แอบไปหลงยึดจิตว่าเป็นของตนแอบไปหลงยึดตัวรู้ว่าเป็นของตนดังที่พระพุทธองค์ท่านเคยเปรียบไว้ว่าจิตวิญญาณมโนใจหรือตัวรู้นี้เหมือนเมล็ดข้าวที่ปลิวตกลงไปบนผืนนาผืนนานี้ เปรียบเสเมือนาธาต4สขันธ์ห้าซึ่งมีร่างกายความรู้สึกความจำและการปรุงแต่งเมื่อเมล็ดข้าวปลิวตกลงไปบนผืนนาจึงทำให้เกิดพบหรือการเบียวไหวตายเกิดขึ้นในผืนนาย่อมมีอาหารสำหรับวิญญาณ ในการเจริญเติบโตอาหารนี้มีชื่อเรียกว่าความพอใจเชื้อแห่งความพอใจนี้เป็นเหตุให้เกิดความเพลินธรรมชาตินี้สิ่งสิ่งนี้หรืออัตภาพนี้จึงนำพาจิตหรือวิญญาณ ไปเพลิดเพลินกับผืนนานี้อันมีร่างกายคือธาตุสี่ความรู้สึกความจำได้หมายรู้และการปรุงแต่งเป็นที่ตั้งแต่พอความไม่เที่ยงความจริงของธรรมชาติปรากฏให้เห็นความยึดมั่นถือมั่นที่มีอยู่ก็สลายกลายเป็นความไม่ยึดติด หรือยึดติดไม่ได้เสียสิ้นความไม่พอใจความไม่ได้ด่างใจจึงเกิดขึ้นความทุกข์จึงเกิดขึ้นมานั่นเองทุกเพราะสัภพสัตฝืนความจริงแห่งธรรมชาติห้าประการคือความแก่ความเจ็บไข้ความตายความสิ้นไป และความวินาศไปเมื่อสัพพสัตทั้งหลายไม่ได้มองเห็นความเป็นจริงว่าความไม่เที่ยงเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงผู้เดียวแต่เกิดขึ้นกับสับพพสัตทุกดวงจิตที่ยังมีการมาการไปการจุดติและการอุบัติอยู่ เมื่อไม่ยอมรับความจริงแห่งธรรมชาติเหล่านี้สัพพสัต์นั้นย่อมเศร้าโศกเสียใจกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกร่ำให้เลยกลายเป็นผู้ที่ยังท่องเที่ยวไปมาอยู่ในสังสารวัติน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเขาที่ครําครวนร่ำให้อยู่ เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจประสบกับความพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจน้ำตาของพวกเขาเหล่านั้นที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นรวมกันแล้วมากเท่ากับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ก็ไม่ปานเพราะสังสารวัตรนี้หาจุดเริ่มต้นหาที่สิ้นสุด ไม่ได้สัพพสัตเลยต้องเสวยความร้อนรนความพินาศและความทุกข์อยู่อย่างนั้นตลอดไปนี่คือบทสรุปของจิตหรือวิญญาณไม่ว่าจิตพุทธะหรือจิตของสัพพสัตวก็มีแก่นแท้อันเดียวกัน แกนแท้อันนี้ไม่มีชื่อเรียกภาษาบาลีเลยเรียกว่าสุญญาตาหรือความว่างธรรมชาตินี้มีความไม่ยึดติดอยู่แล้วมีนิพพานอยู่แล้วเป็นพื้นฐานตั้งแต่ต้นเพียงแต่จิตพุทธนั้นมาจากการอุปโลกจิตขึ้นมาบนพื้นฐานของ ว่างรองรับดับเป็นประธานแต่จิตของสัพพสัตย์ดันไปหลงยึดจิตหรือวิญญาณว่าเป็นของตนการเวียนว่ายตายเกิดจึงอยู่บนพื้นฐานของมีตัวตนรองรับมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นประธานนั่นเอง ต่อไปเรามาดูการอธิบายเรื่องจิตหรือวิญญาณในแนววิทยาศาสตร์กันบ้างมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์มากมายกำลังศึกษาคนา้นคว้าเรื่องราวกับจิตหรือวิญญาณอยู่แต่เขาเหล่านั้นอาจจะร้องโอ้หากได้ย้อนกลับมาอ่านว่า ผู้ที่ค้นพบความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างท่องแท้มีการเผยแพร่เรื่องนี้มา ก, กว่า 2,500 กว่าปีแล้วผู้นั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองจิตหรือวิญญาณนั้นจริงๆแล้วไม่ได้จัดว่าเป็นอะไรได้เลยแต่มันมีลักษณะมีรูปแบบ เหมือนกระแสพลังงานชนิดหนึ่งในสากล น, นี้แล้วพลังงานในลักษณะนี้หรือพลังงานอื่นๆในสากล น, นี้ก็มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันหมดไม่เว้นแม้แต่ธาตุดินน้ำลมไฟเมื่อใช้ความร้อนเผา จนถึงที่สุดมันก็เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานบางอย่างแล้วก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ในสากล น, นี้เชื่อมโยงถึงกันหมดเช่นกันทีน่นี้คนเรามักจะเข้าใจกันว่าจิตเป็นดวงกลมๆเป็นก้อนกลมๆใสๆ มีแสงรัศมีส่องประกายรอบๆจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นจริงๆแล้วจิตไม่จัดว่าเป็นอะไรได้เลยมันกว้างขวางไร้ขอบเขตไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดไม่มีปริมาณไร้สภาพไร้สภาวะ และไม่มีตัวตนของใครอยู่ในนั้นแต่เมื่อเกิดความสนใจใส่ใจขึ้นมาเมื่อไรเกิดตัวกำหนดซ้อนเข้าไปเมื่อไรเกิดตัวโฟกัสเข้าไปเมื่อไรมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดการรวมตัวของคลื่นพลังงานบางอย่างวูบเดียวมารวมตัวกันเป็นจิตดวงแรก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 แห่งความสนใจใส่ใจในสิ่งที่ไม่ดีไม่พอใจมันจะเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดจิตอีกดวงหนึ่งขึ้นมาอยู่ข้างๆมีสีสันหรือรัศมีที่หมองหมนๆเมื่อเกิดจิต ด, ดีขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดจิตอีกดวงหนึ่งขึ้นมา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 ไม่พอใจขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดจิตอีกดวงหนึ่งขึ้นมาเป็นจิตที่ต้องการหักล้างทำลายหรือกำจัดที่นี่มันจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดจิตอีกรอบๆดวงเล็กๆรอบๆจิตประธานนั้นอีกหลายๆดวงแล้วมันก็จะเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้เกิดจิตอื่นอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่เข้าไปกระทาเข้าไปพยายามเข้าไปต้องไปตั้งอีกเยอะแยะมากมายรอบรอบลักษณะเชื่อมต่อกันเป็นจิตแบบโน้นแบบนี้เป็นจิตร้อยกว่าดวงหรือเจ็ดตัสิบดังที่พระพุทธองค์เคยกล่าวไว้ว่า สิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนมันเป็นตัวรู้ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ตลอดเวลาตามธรรมชาติ จากตรงนี้ก็สรุปได้ว่าจิตหรือวิญญาณ น, นั้นเป็นรูปแบบของพลังงานชนิดหนึ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ในตัวของมันเองมันมีธรรมชาติของการรับรู้อัตโนมัตริรู้สื่อๆรู้ใส่ ในตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะมันเป็นการรวมตัวกันของคลื่นพลังงานบางอย่างและคลื่นพลังงานชนิดนี้ก็เชื่อมต่อกับคลื่นพลังงานทุกชนิดในสากลอยู่แล้วเชื่อมไปในทุกมิติทุกชั้นพลังงานทุกอนุทุกอนุภาคการเชื่อมต่อกัน ในลักษณะเครือข่ายโครงข่ายคล้ายใยแมงมุมที่สลับซับซ้อนมากชั้นซ้อนชั้นมิติซ้อนมิติยากที่จะหาที่สุดที่ประมาณถึงความละเอียดของมันได้เพราะมันไร้ขอบเขตทั่วทั้งสากลจั ก, กรวาลดังนั้นจิตหรือวิญญาณ ก็มีความสามารถในการรับรู้ได้อย่างไร้ขอบเขตเหมือนกันต่อไปเรามาดูกันว่าจิตกับร่างกายเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรจิตเป็นการรวมตัวกันของคลื่นพลังงานบางอย่าง ที่เมื่อเกิดความสนใจใส่ใจหรือเกิดตัวโฟกัสขึ้นมาเมื่อไรคลื่นพลังงานเหล่านั้นก็จะวูบเดียวมารวมตัวกันเป็นจิตที่นี่ร่างกายของเราก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่อย่างมารวมตัวกันคือดินน้ำลมไฟซึ่งรวมตัวกันเป็น เส้นผมผิวหนังน้ำเลือดโครงกระดูกความร้อนในร่างกายลมหายใจทั้งหมดแล้วก็มาจากธาตุสี่ชนิดนี้แล้วธาตุสี่ชนิดนี้ถ้าเผาจนถึงที่สุดแล้วมันก็จะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานชนิดหนึ่งคือมอดใหม่ทั้งหมด แล้วเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อนที่เคลื่อนจร อ, อยู่ในธรรมชาตินี้สรุปแล้วจิตเป็นรูปแบบของพลังงานภาคละเอียดที่มองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้จับต้องไม่ได้ส่วนร่างกายก็เป็นรูปแบบของพลังงานภาคหยาบที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้จับ ต้องได้นั่นเองเมื่อธรรมชาติบางอย่างอัตภาพบางอย่างหรือคลื่นพลังงานบางอย่างที่มีการทยานไปมาหาที่ยึดเกาหาที่พึ่งได้เข้าไปจับฉวยจับกลุ่มเข้าไปเป็นเจ้าของรูปแบบพลังงาน ที่รวมตัวกันเป็นจิตอัตภาพบางอย่างนี้ก็มีความละเอียดอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ยังมีแรงส่งอยู่ภายในยังมีตัวพยายามหาที่ตั้งหาที่ยึดเหนี่ยวอยู่ส่วนจิตก็มีความละเอียดอยู่ในตัวอยู่แล้วซึ่งเป็นเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายหากพลังงาน ภาคละเอียดทั้งสองอย่างนี้ถูกเนี่ยนาให้มาอยู่ในที่เดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันฉะนั้นเมื่ออัตภาพบางอย่างนี้เข้าไปจับฉวยจับกุมจิตว่าเป็นของตนที่ตั้งของจิตหรือแดนเกิดของจิตจึงปรากฏขึ้นที่ตั้งของจิตมีอะไรบ้าง มันคือลักษณะและสภาวะลักษณะคือสิ่งที่จับต้องได้ในที่นี้ก็คือร่างกายนั่นเองส่วนสภาวะคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้หรือรับรู้ได้ในที่นี้ก็คือความรู้สึกความจําได้หมายรู้ และการปรุงแต่งนั่นเอง4อย่างนี้เป็นที่ตั้งเป็นแดนเกิดของจิตทีนี้จิตเป็นพลังงานภาคละเอียดก็เข้ามามีที่ตั้งมีแดนเกิดมีร่างกายซึ่งเป็นพลังงานภาคหยาบทำให้เกิดการผสานกันของพลังงานสองระดับ เมื่อประสานกันจนถึงจุดสมดุลกายและจิตก็ทำงานสอดประสานกันอย่างอัตโนมัติลงตัวกลมกลืนร่างกายก็รับรู้สิ่งที่เข้ามากระทบที่เป็นรูปแบบของพลังงานภาคหยาบได้เช่นตาก็เห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้น ได้รับรสผิวกายรับรู้สิ่งที่เข้ามาสัมผัสส่วนจิตก็รับรู้พลังงานภาคละเอียดที่เข้ามากระทบเช่นจิตรับรู้กระแสความรู้สึกของคนอื่นที่กําลังคิดเกี่ยวกับตัวเราในขณะที่เขาไม่ได้พูดออกมาแค่คิด และรู้สึกอยู่ในใจทำไมเราถึงรู้สึกได้เหล่านั้นเป็นต้นทีนี้เมื่อจิตมีที่ตั้งมีแดนเกิดแล้วทั้งร่างกายและจิตใจก็อาศัยอยู่ในโลกนี้เมื่ออาศัยอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมตกอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก หรือสนามแม่เหล็กโลกดึงดูดไว้และแรงดึงดูดอีกหลายชนิดในหลายหลายมิติที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นแต่มันมีผลในการเหนี่ยวนำจิตมีปฏิกิริยาต่อจิตเพราะจิตเป็นรูปแบบของพลังงานภาคละเอียดอย่างหนึง่งสนามแม่เหล็กโลก และแรงอื่นๆในหลายมิติดึงดูดสสารและคลื่นพลังงานต่างๆให้ตกอยู่ในวงจรการเวียนว่ายของโลกแล้วพลังงานต่างๆในโลกก็มีการจําแนกชั้นพลังงานโดยตัวของมันเองตามกฎของพลังงานที่พลังงานประเภทเดียวกัน พลังงานที่มีความทีเดียวกันพลังงานที่มีความละเอียดใกล้เคียงกันจะมีแรงเหนี่ยวนําซึ่งกันและกันให้มารวมอยู่ที่เดียวกันดังนั้นพลังงานต่างๆในโลกย่อมมีความละเอียดความบางความหนาแน่นความเหนี่ยวนําความดึงดูด ที่แตกต่างกันเมื่อมันเหนี่ยวนําซึ่งกันและกันมารวมอยู่ที่เดียวกันก็เกิดการผสานเป็นชั้นพลังงานเกิดขึ้นมีมากมายหลายชั้นเป็นชั้นซ้อนชั้นเป็นมิติซ้อนมิติและละเอียดยิบย่อยมากมายซึ่งที่เราเรียกกันว่าภูมินรกภูมิสวรรค์ และภูมิมนุษย์นั่นเองแล้วเมื่อร่างกายที่มีอัตภาพบางอย่างที่หลงยึดจิตว่าเป็นของตนอยู่นี้เกิดเน่าเปื่อยผุพังสลายไปอัตภาพบางอย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะกายเก่าได้แตกสลายไปแล้ว ต้องเวียนไห้ต่อเพราะอัตภาพนี้ยังมีตัวทยานยังมีตัวหาที่พึ่งพาหาที่ยึดเกาะยังมีแรงยึดมั่นถือมั่นอยู่รอมทั้งแรงสะท้อนกลับจากการกระทบเมื่อตอนที่ยังมีกายเก่าอยู่ร่างกายสลายไปแล้วแต่แรงสะท้อนกลับเหล่านั้น ส่งผลลิงตรงไปยังอัตภาพนี้ให้แบกรับอยู่ให้เกิดสภาวะอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นคลื่นประจุบวกคลื่นประจุลบหรือคลื่นแบบกลางๆแต่มีผลให้เกิดการพยานต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองภาษาทางธรรมเราเรียกว่ากรรมดี กาชั่วนั่นเองดังนั้นทั้งแรงส่งจากภายในแรงยึดมั่นถือมั่นแรงทยานของอัตภาพนี้เองเมื่อร่างกายเก่าแตกสลายจึงถูกแรงภายนอกซึ่งเป็นแรงดึงดูดจากสนามแม่เหล็กโลกและแรงดึงดูดอื่น ที่อยู่ในมิติต่างๆอีกมากมายเนี่ยวนำให้ไปเวียนไหวเวียนวนอยู่ในวงจรของโลกจะถูกเหนี่ยวนำถูกดึงดูดให้ไปมีที่ตั้งมีแดนเกิดที่ไหนนั่นก็ขึ้นอยู่กับประจุแรงสง่งแรงเหนี่ยวนำของอัตรภาพนั่นเอง ถูกชั้นพลังงานแบบเบาบางแบบหนาแบบเนียวนำรุนแรงหรือแบบใดๆก็จะถูกเนียวนำถูกดึงดูดไปตามชั้นพลังงานของโลกที่ลึกลับซับซ้อนมากมิติสอนมิติจะเป็นภูมินรกภูมิสวรรค์หรือภูมิมนุษย์ ก็ต้องเวียนไหวเวียนวนอยู่ในวงจรนี้อย่างไม่มีที่จบสิน้นคราวนี้แรงทยานแรงส่งจากกระแสบวกกระแสลบกระแสกลางๆางหรือแรงยึดมั่นถือมั่นอื่นๆของอัตภาพนี้เองเกิดขึ้นมาได้อย่างไรละ่ะต้นเหตุแรก อันแรกเลยคือความหลงของอัตภาพนี้เองที่แอบหลงเข้าไปยึดวิญญาณหรือจิตว่าเป็นของตนเมื่อหลงยึดไปแล้วปฏิกิริยาทุกอย่างของจิตก็ถูกประดิษฐ์เจ้าของให้มันตลอดในทุกๆขณะว่าอัตภาพนี้เป็นเจ้าของที่นี้ ภายในจิตเองก็มีการจำแนกชั้นพลังงานโดยธรรมชาติของมันเองด้วยซึ่งขอเรียกชื่อมันว่าฐานหรือที่ตั้งในที่นี้มีอยู่สามฐานดังนี้คือฐานที่หนึ่งเป็นที่เหนี่ยวนำคลื่นเหนี่ยวนำกระแสจากภายนอก และภายในที่มีความถี่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้มารวมกันคลื่นกระแสเหล่านี้มีความพอใจความไม่พอใจและเฉยเฉยกลางๆเป็นประธานแล้วมันก็เหนียวนำคลื่นกระแสต่างๆที่มีประจุเหล่านี้ทั้งที่อยู่ภายในร่างกาย และภายนอกร่างกายให้มารวมอยู่ที่เดียวกันรวมเรียกฐานนี้ว่าความรู้สึกฐานที่สองเป็นที่เหนียวนําคลื่นเหนียวนํากระแสจากภายนอกและภายในที่มีความทีเดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้มารวมกันฐานนี้มีลักษณะคล้าย ตัวบันทึกข้อมูลทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรือที่เกิดขึ้นกับฐานที่หนึ่งและฐานที่สามฐานนี้จะสร้างประจุแล้วก็ประจุลงไปบรรจุลงไปบันทึกลงไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่ประมาณได้เหมือนฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากแต่นี่ เป็นรูปแบบของพลังงานที่มีการประจุคลื่นกระแสลงไปบันทึกทุกอย่างลงไปรวมเรียกฐานนี้ว่าความทรงจําหรือความจําได้หมายรู้ฐานที่สเป็นที่เหนียวนำคลื่นเหนียวนำกระแสจากภายนอกและภายในที่มีความทีเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันให้มารวมกันเป็นคลื่นกระแสะที่มีลักษณะขยายออกไม่ว่าจะมีสิ่งใดเข้ามาทางร่างกายหรือเข้ามาทางฐานที่หนึ่งและฐานที่สองฐานที่สามีจะมีปฏิกิริยาตามตลอดคือต่อยอดออกแตกตัวออก ขยายออกเลยรวมเรียกฐานนี้ว่าการปรุงแต่งดังนั้นเมื่อธรรมชาติบางอย่างพลังงานบางอย่างหรืออัตภาพบางอย่างไร้กายซึ่งเป็นที่ตั้งแล้วตัวมันเองไม่สามารถล่องลอย พ้นสนามแม่เหล็กของโลกได้พร้อมกับถูกเหนี่ยวนำถูกดึงดูดด้วยชั้นพลังงานภายนอกที่มีคลื่นความถี่มีคลื่นกระแสตรงกันหรือใกล้เคียงกันกับที่อัตภาพนี้แบกไว้จะถูกเหนี่ยวนาไปถูกดึงดูดไปตามชั้นพลังงานต่าง มิติต่างๆที่สลับซับซ้อนของโลกและภายในอัตภาพนี้เองยังมีคลื่นพลังงานชั้นพลังงานละเอียดที่เกาะยึดอยู่เนียวนำไว้อยู่เป็นลูกโซ่ที่สลับซับซ้อนอีกมากมายที่พอจำแนกได้คือฐานความรู้สึก ฐานความทรงจำและฐานการปรุงแต่งโยงใยสลับซับซ้อนเหนียวแน่นเป็นสายเป็นทางไปกับอัตภาพที่ไร้ร่างกายนี้ด้วยหากฐานที่หนึ่งฐานที่สองและฐานที่สามเนียวนำเอาคลื่น เนียน่ยนำเอากระแสที่เบาโปร่งโล่งไม่หนักฐานความรู้สึกนี้ก็มีคลื่นแบบเบาๆกลางๆหรือเป็นบวกมากกว่าเป็นลบฐานความทรงจำก็มีการประจุกในสิ่งที่กลางๆหรือเป็นบวกมากกว่าเป็นลบฐานการปรุงแต่ง ก็มีคลื่นแบบเบาๆกลางๆหรือเป็นบวกมากกว่าเป็นลบพอร่างกายนี้แตกสลายไปอัตราภาพนี้ก็จะถูกชั้นพลังงานของโลกชั้นเบาๆกลางๆหรือเป็นบวกมากกว่าเป็นลบดึงดูดไปหรือเหนียวนำไปในห่วงอุโมงค์หรือมิติชั้นพลังงานนั้น คือไปมีแดนเกิดใหม่อีกนั่นเองเราเรียกกันว่าสวรรค์นั่นเองแล้วสวรรค์นั้นก็มีมากมายหลายชั้นเป็นชั้นซ้อนชั้นมิติซ้อนมิติอีกมากมายหากฐานที่หนึ่งฐานที่สองและฐานที่สาม เนี่ยนำเอากระแสที่หนักอึดอัดประจุรุนแรงมีการกระชากมีการทาปฏิกิริยาต่อสิ่งที่มากระทบได้ง่ายเป็นลบมากกว่าเป็นบวกเมื่อร่างกายนี้แตกสลายแล้วอัตภาพนี้ก็จะถูกชั้นพลังงานของโลกชั้นที่มีคลื่นพลังงานแบบหนักอึดอัด ประจุรุนแรงเป็นลบมากกว่าเป็นบวกถูกดึงดูดไปหรือเหนี่ยวนำไปในห่วงอุโมงหรือมิติชั้นพลังงานนั้นคือไปมีแดนเกิดใหม่อีกนั่นเองเราเรียกกันว่านรกนั่นเองแล้วนรกนั้นก็มีมากมายหลายชั้นเป็นชั้นซ้อนชั้น มิติสอนมิติอีกมากมายหากฐานที่หนึ่งฐานที่สองและฐานที่สามมีแรงดึงดูดหรือแรงเหนี่ยวนำกลับมายังผืนโลกมีแรงดึงดูดระหว่างสถานที่สิ่งแวดล้อมบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย เมื่อครั้งยังมีร่างกายอยู่แรงเหล่านั้นยังยึดอยู่อย่างเหนียวแน่นไม่ว่าฐานความรู้สึกฐานความทรงจำฐานการปรุงแต่งจะเป็นบวกเป็นลบหรือเป็นกลางๆงแต่มันก็ทะยานกลับมามีที่ตั้งมีแดนเกิดอีกครั้งบนพื้นโลกนี้ คือได้ร่างกายใหม่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นสัตว์ เ, ตเดรัจฉานก็ขึ้นอยู่กับคลื่นกระแสที่แบกยึดไว้ภายในธรรมชาติบางอย่างหรือภายในอัตภาพบางอย่างนี้นั่นเองฉะนั้นแล้วเมื่อธรรมชาติบางอย่างพลังงานบางอย่าง หรืออัตภาพบางอย่างแอบไปหลงยึดวิญญาณหรือจิตว่าเป็นของตนการเวียนวนหาที่ตั้งหาที่ยึดการถูกดึงดูดถูกเนี่ยนำให้ไปมีที่ตั้งมีแดนเกิดในมิติชั้นพลังงานต่างๆของโลกก็เกิดขึ้น อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอัตภาพนี้เลยกลายเป็นผู้ที่ยังท่องเที่ยวไปมาอยู่ในสังสารวัตรของโลกความเศร้าโศกเสียใจกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกร่ำให้น้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเขาที่คล่ำครวนร่ำให้อยู่เมื่อประสบ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 สับปะสัตว์เลยต้องเสวยความร้อนรนความพินาศและความทุกอยู่อย่างนั้นตลอดไป